โมหานะเป็นเรื่องประณีตมากเลยถ้าชนะอวิชชาแล้วก็ชนะหมดละหั ว, หวดโจกเลยอวิชชาเป็นหัวหน้าโมหะถ้าไม่มีโมหะนะตันหาจะไม่เกิดตันหาเป็นตัวโลภะยังไพอไม่มีโมหะก็ไม่มีโลภะถ้าไม่มีโลภะนะไม่มีความอยากเนี่ยโทสะจะไม่มีมันอิงกันตลอดนะกิเลสทั้งหลายไม่ยิงกันเป็นช่วงช่วงช่วง อย่างถ้าเรารักในความสุขความสบายเนี่ยพอความสุขความสบายไม่มีนะั้นก็เกิดโทสะถ้าเราไม่ได้รักในความสุขความสบายมันก็ไม่มีโทสะเวลาดับก็ดับไปคู่กันรนะาคากับโทสะเวลาดับดับคู่กันเพราะนอย่างพระนาคามีนะท่านละปฏิฆาได้ท่านก็ละกามได้ท่านละกามได้ท่านก็ละปฏิฆาได้เพราะท่านไม่รักในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะ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 เรารักษาศีลพอเรารักคิดถึงศีลของเราขึ้นมาเราก็มีความสุขจิตสงบเรียกศีลานุสติแต่ถ้าคิดถึงความดีของคนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นพุทธานุสติสังขานุสติเป็นเทวตานุสติอย่างสุดวา่าเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทําความดีมากเราคิดถึงแล้วเรามีความสุขขึ้นมาอย่างนี้นี่เรียกว่าเทวานุสติเห็นไมสมาธิไม่ยากหรอกแค่ถือศีลให้ดีนะ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 อย่างนี้มันไม่กล้า ก, กระดุกดิกเราะฉะั้นอย่าไปบังคับมันถ้าเราไปจ้องตลอดเวลานั่นคือการเพ่งที่หลวงพ่อห้ามจะไปจ้องไว้มันก็เพง่งมันก็นิ่งใช้ไม่ได้นะไม่มีปัญญาหรอกช้ำเลืองดูมันเป็นระยะระยะไม่ใช่ดูตลอดเวลารู้บ้างเผลอ ER, บ้างไม่ใช่ไม่ให้เผลอ ER เลยถ้าไม่ให้เผลอ ER เลยจะเป็นการเพง่งต้องรู้บ้างเผลอ ER, บ้างนะอย่างคุณเสื้อสีฟ้าเนี่ยเผลอเห็นไหมรู้บ้างเผลอ ER, บ้างไม่ว่ามันหรอก ต้องเห็นอย่างนี้ในที่สุดจะเกิดปัญญาโอ้จิตมันจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตมันจะรู้ตัวสั่งรู้ตัวไม่ได้รู้ตัวแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มันเผลออีกแล้วยังคุณเสื้อสีฟ้าเผลออีกแล้วเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เริ่มกดล้เริ่มกดให้นิ่งแล้วนะเนี่ยเริ่มไปจ้องคนทหารแล้วอย่ไปจ้องใส่มันรู้เล่นๆใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาการภาวนาจะไม่เครียดถ้าเครียดแล้วก็ทําผิดแน่นอน